เทศนาแผ่นที่82ดลำดับที่สโดยรวมพ่ออินถวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงคําในวันที่17เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าฝึกใจให้รู้จักพัก วันนี้เป็นวันที่สิเจเมษายนพุทธศักราช2558วันนี้เป็นวันแรมสิบ่ําเดือนห้าเป็นวันเดือนห้าดับวันนี้ถือว่าเป็นวันพระใหญ่วันนี้หลวงพ่อให้ผู้หมวดเป็นผู้นําไหว้พระแล้วสมาทานศีลศีลห้า น, นะเพื่อเป็นจิตญาลักษณะว่าเดือนห้าดับ พวกเราที่มาวัดมาวัดวาศาสนาควรจะมีทำพิธีไหว้พระสมาทานศีลแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะบางครั้งนะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งพวกเราน่าจะทำพิธีไหว้พระย่อแล้วก็สมาทานศีลห้าเพื่อเป็นจิตญลักษณะเป็นวันเดือนห้าดับแล้วก็เป็นวัน สงกรานใหม่หมัมดๆ ม, ดมดพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดีตั้งต้นตั้งต้นด้วยความดีคือศีลห้านะเพราะนั้นวันนี้จึงให้สมาทานศีลห้านำอิมินาสกาเลนาตั้งใจสมาทานศีลวันเนคูบาท่าน ออกอากาศนะวันนี้นะ <c oughs> ถ้าพี่น้องประชาชนาาศรัทธาญาติโยมอยู่ในละแวกแถบที่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดป่านาคําน้อยของเรากระจายเสียงไปถึงแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ฟังจะทดลองออกดูเพราะว่าหลวงพ่อที่แรกคิดว่าจะออกวันสอง วันสงกรานต์สองวันแต่วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันพระแรม15คหาคำแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่วันเกิดของหลวงพ่อวันที่27ใกล้หลวงพ่อจึงออกประกาศให้คณะทศไทยญาติโยมลูกหลานที่อยู่รอบแวกรอบวัดของหลวงพ่อให้ได้ยินได้ฟังพอเราสถานีวิทยุของเรา ก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็ให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็พร้อมกันถ้าเราไม่ออกเช่เลยก็ทําให้สถานีขลองเราสายเกิดฉนิมออกไม่ได้เราจ้องทดลองดูว่าการออกอากาศของพวกเราเนี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบลื่นไหมเพราะฉะ น, นั้นจึงได้ออกทดลองอีกวันนี้เป็นวันหนึ่งแล้วก็ต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีล ผู้ที่จะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดก็ตั้งวิรัตเจตนาได้ต่อไปอีกว่าแต่หลวงพ่อจะให้เพียงศีลห้าศีลห้าเป็นศีลพื้นฐานสําหรับครวัตญาตโยมผู้ที่มีภาระทุระมากจะต้องทําหน้าที่การงานสําหรับผู้รักษาอุโบสถศีลก็คือผู้รักษาที่มีภาระทุระ แเบาบางแล้วคือผู้สูงอายุก็รักษาศีลอุโบสถน่าจะเป็นผู้สูงอายุควรจะรักษาอุโบสถศีลแต่สําหรับผู้ที่มีภารุระมากอยู่จะต้องทําหน้าที่การงานก็ควรจะมีศีลห้าในวัน8ปค่ำสิบ่ําหรืออย่างวันพระวันนี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านศีลนั่คือพื้นฐานคุณงามความดี ศินคือประกาศออกมาชัดเจนเลยว่าผู้ที่มีศินคือเป็นบุคคลคนดีไม่ติดคุกไม่ติดตารางเพราะหไรเพราะว่าเป็นผู้มีกฎเกณฑ์มีเป็นผู้มีศินเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของชุมชนที่เข้ามาอยู่ใกล้เพราะเหตุไรเพราะว่าผู้ที่มีศินจะไม่ทาความชั่วเสียหาย อย่างที่พวกเราได้ฟังที่หลวงพ่อได้บรรยายแล้วบรรยายอีกไม่ฆ่าไม่คิดฆ่าใครไม่คิดขโมยใครเคารพสิทธิสามีภรรยาของทุกคนไม่โกหกใครแล้วก็ไม่ดื่มสุราให้ขาดสตินี่แหละคือสีลห้าแต่ฟังเพียงย่อๆสั้นๆเพียงแค่นี้ก็พวกเราก็มองเห็นแล้วว่าสีลห้าเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ต่ อ, อพวกเราที่อยู่ ด้วยกันชุมชนกลุ่มใดก็ตามถ้าหากว่ามีศีลห้าคุ้มครองแล้วชุมชนกลุ่มนั้นไวเนื้อเชื่อใจกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและสังคมของพวกเราที่อยู่ด้วยกันเพราะนั้นพวกเราถึงยังไงใครจะไม่รักษาแต่พวกเรารู้คุณค่าของศีลห้าแล้วก็ควรจะเคารพในศีลของพระพุธทธเจ้าว่าถึงจะไม่รักษาได้ตลอด ชีวิตหรือว่าทุกวันแต่ถึงยังไงก็วันสำคัญควดพวกเราควรจะน้อมรับสินห้านั้นมาปฏิบัติเป็นครั้งคราวก็ยังเป็นดียังมีด่างยังมีสีขาวติดตัวอยู่บ้างไม่ใช่ว่าดำปีไม่มีอะไรเลยไม่น่าจะถูกต้องที่พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสิน นะโมตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันติตัตสมาสีลังวิโสธาเยสาธุอาต่อนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องอะไรให้กับพระทายาติโยมทั้งหลายนียได้ฟังวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ด เมษายนพุทธศักราช 2,558 อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นนั่เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน5เดือน5ดับแล้วก็อีกจากนี้ไปก็เป็นวันที่27อีกจากนี้ไป10วันก็เป็นวันเกิดของหลวงพ่อนักาาศรรมาญาติโยมโลูกหลานเพราะนั้นวันนี้จะได้ออกสถานีวิทยุเสียงถามเพื่อประชาชน ร้อยเอเมกะเฮิรต์ออกจากวัดป่านาคาน้อยเป็นการประกาศบอกกล่าวให้กับคณะทายาติโยมที่รู้จักมักคุ้นผู้ที่จะไปสู่วัดของหลวงพ่อวันเกิดนะทางหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวก็เหมือนกับหลวงพ่อเนี่ยปิดประตูไม่ต้อนรับขับสู้แต่ถ้าประกาศออกไปเหมือนกับหลวงพ่อประกาศให้พวกเราทั้งหลายเข้ามา ขอร้องให้พวกเราเข้ามาไม่ใช่นะครผู้ใดได้ยินข่าวที่สะดวกที่รู้จักหลวงพ่อก็ขอเข้ามาได้นะไม่มีบัตรเชิญไม่มีในดีกามไม่มนฝ่ายพระหลวงพ่อจัดแบบเรียบง่ายถ้าจะว่าไปหลวงพ่อไม่ได้จัดงานพู้ใดเ ล, เลว่าหลวงพ่อไม่ได้จัดงานแต่งานมาจัดหลวงพ่อให้ทํา เพราะเหตุไรพะหลวงพ่ออยู่ตามลําพังก็ไม่มีอะไรถ้าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องมากถ้าหลวงพ่อเฉยๆไม่ต้อนรับขับสู้ก็จะหาว่าหลวงพ่อใจจืดใจดําอีกละทีไหนเพราะนั้นหลวงพอ่อเมื่อพี่น้องประชาชนเข้ามาหลวงพ่อก็ต้องต้อนรับขับสู้เอว่าอยู่ยังไงกินยังไงใช้ยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือก็ต้องมาเมื่อคนมามาก เราจะอยู่ไม่มีพิธีกรรมพิธีการอะไรเฉลยก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเมือ่อมาถึงวัดลราก็เด่นเด่ น, ด, นด่านด่านไม่รู้จะทําอะไรเพราะนั้นวันที่26เยน็นจะมีการไหว้พระที่ศาลาหลังนี้แหละเนะมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยก็สมาทานศีลห้าเมื่อทานสมาทานศีลห้าเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อจะได้กล่าวปรารบเรื่องงานว่างงานของหลวงพอ่อหลวงพ่ออายุเท่าไหร่ เป็นมาอย่างไรหลวงพ่อจะได้เรียนให้พี่น้องจัตไทยญาติโยมทั้งหลายได้ทราบจากนั้นพระสงฆ์ก็จะได้เจริญพระพุทธมนตรในวันนั้นพอเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วก็อาจจะพี่น้องประชาชนผู้จะเจริญอิติปิโสอะไรกระสุดแท้แต่ไหวพระสงฆ์จะดาเนินการแต่หลวงพ่อคงจะกลับหาที่พักนี่แหละก็คือ การจัดงานในวันนั้นและก็พร้อมกันหลวงพ่อคณะัตย์ทายญาติโยงของหลวงพ่อที่อยู่ทางไกลว่าเอาเอางานวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยน่าจะมีแจกข้าวอาของข้าวสารอาหารแห้งมีน้ำปลามีน้ำมันพืชมีน้ำตาลแจกให้พี่น้องประชาชนาที่อยู่ในละแวกนี้ เพราะพวกเราอยู่ไกลไม่ได้มาตักบาดใส่บาดพระสงฆ์พระพี่น้องประชาชนในถิ่นนี้เข า, เาได้ใส่บาดแทนพวกเราพวกเราอยู่ไกลแต่พวกเรารักครบรพในครูบาอาจารย์พระสงฆ์อยู่แต่มาใส่บาด ท, ทุกวันไม่ได้พวกเรานานทีปีครั้งน่าจะโรวบรวมจตุ ป, ปัจจัยซื้ อ, อพวกข้าวสารอาหารแห้งามาแจกพี่น้องประชาชน ทั้งสีหมู่บ้านคือผู้ที่มาใจบาทคือ4หมู่บ้านเนี่ย ก, ก็ทํามาหลายปีติดต่อกันปีนี้กับปีหนึ่งหลวงพ่อทราบว่าจะมีประมาณสัก800ครอบครัวนะแปดกว่าครอบครัวที่จะให้เป็นครอบครัวครอบครัวไปครอบครัวละ1ชุดนะคิดดูแล้วก็ไม่มากแต่เป็นน้ําใจของพี่น้องประชาชนจากต่างทินที่มาช่วย ให้สงเคราะห์ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นและก็พร้อมกันก่อนหน้านี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปหาหลวงพ่อทั้ง6หมู่บ้านนะผู้ใหญ่บ้าน6กหมู่บ้านเข้ามาหาหลวงพ่อบอกว่าวโอ้หลวงพ่อปีนี้พวกผมไม่ขอรับของข้าวสารน้ําปลาน้ำมันพืชนะผมพวกผมขอรับเต็นท์ได้ไหมคืออยากจะได้เต็นท์ เ, เพราะว่าหลวงพ่อกับอื่งเรื่องข้าวสารที่สั่งไปนั่นอะ่ะ เ, เราก็เขาได้สั่งไปแล้วหมายพูดช้าไปสักหน่อย เ, อเพราะว่าตัวนั้นก่อเป็นเงินที่เป็นละปีนึงก่อหลายแสนเหมือนกันนะเพราะมันทั้งแปดแปดร้อยกว่าชดนะแล้วก็ข้าวสารเหนียวห้ากิโลข้าวสารเจ้าห้ากิโลกิโลนึงก็หลายเทินอยู่ กันห้น้าปลาน้ํามันพืชน้ําตาลนะรวมแล้วกับประมาณสองสามร้อยบาทเหมือนกันนะอาจจะถึงห้าร้อยของพ่อไม่รู้ละแต่ว่าถมัดคิดว่าเป็นเงินหลายแสนอยู่แต่นี้อันนี้ก็คือของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมข้างนอกอที่เขามีจิตใจร่วมสมทบแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนจุดนั้นหลวงพ่อก็อืม คงเปลี่ยนไม่ทันแต่ไม่เป็นไรแล้วนะหลวงพ่อเองจะหลวงพ่อจะพยายามจะหาให้สูเจ้าจะเอากี่เครื่องอสูเจ้าจะเอากี่กี่เต๊นท์เขาก็บอกว่าจุดแท้แต่หลวงพ่อหลวงพ่อก็อืมถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อให้หมู่บ้านละสองเต็นท์ก็แล้วกันนะหมู่บ้านละสองเต็นท์หหมู่บ้านก็สิบสองหลังเพราะว่าบางทีมีงาน ขึ้นมาพวกท่านทั้งหลายจะได้ช่วยกันเอ่อพราะจะได้หาหากันได้แล้วก็เอาหมู่บ้านหนึ่งไปหาหมู่บ้านหนึ่งก็ได้อ่ยพอมันหหมู่กหมู่บ้านมันก็สิบสองหลังก็น่าจะเพียงพอสำหรับชุมชนของสูญเจา้านะเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยได้ตกลงว่าจะให้เขาแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าการที่ งดไม่แจกชาวบ้านพวกชาวบ้านเขาก็คงจะผิดหวังแต่มันก็ถูกใจของสาหรับผู้บริหารผู้บริหารนี่ถูกใจแต่ชาวบ้านคงไม่ถูกใจเพราะน้นให้ถูกใจทั้งสองทั้งสองอย่างหลวงพ่อก็ตกลงให้ให้กับผู้ใหญ่บ้านฝ่ายบริหารให้มีเต็นท์ใช้ในหมู่บ้านของเขาถ้ามีการมีงานจะมีคนล้มคนตายอย่างนี้แหละ ก็ไม่มีเต็นท์ทำยังไงเพราะนันกจำเป็นถ้ามีงานขึ้นมาจะให้เขายืมกันก็ได้ในสีในหกหมู่บ้านนั้นถ้าหมู่บ้านไหนคงจะไม่มีจัดงานพร้อมการการะมังหลวงพ่อก็ตกลงให้แล้วละ่ะแต่มาพิจารณาตรงอีกส่วนหนึ่งในการดําการนะสงเคราะห์อย่างองหลวงตานะองหลวงตาท่านสงเคราะห์ ท่านมาพูดที่วัดหลวงพ่อแนะแต่ว่าท่านให้อตอชอดอเราให้ตอชอดอนะให้เขาสั่งซื้อรอตอชอดอให้เข้า่าตอชอดอเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีโอกาสจะยจะอยู่ในเมืองมีแต่รักษาอยู่ในป่ารมพงไผ่เหมือนกับทหารแต่รักษาประเทศชาติไม่มีรายได้อย่างอื่นเราก็ให้เขาเให้สงเคราะห์ตอชอดอ ให้เป็นลายเป็นเป็นลายบุคคลเลยนะคล้ายๆบอกครอบครัวหนะึ่งมีอยู่สี่คนหรือห้าคนน้ำตาลคนแล้วก็สอบลักษณะอย่างนั้นข้าสารคนแล้วก็สอ บ, สอ บ, สอบน้ำปลาคนละลังเลยนะทีนี้ทางตชดในช่วงนั้นเขาก็คิดว่าที่ว่าวัดสงเคราะห์นี่คงจะเป็นถังสังฆทานธรรมดานะแต่ลงตาไม่ใช่ถังสังฆทานธรรมดาดิ แปลว่าสงเคจริงๆว่างั้นเถอะของหลวงตาได้ทำอะไรทำจริงๆผลที่สุดต่อชะดอไข้เสรีเสรีคนหลนยศนะหลวงตาให้หมดไปสิบสามล้านนะในครั้งนั้นนะหลวงพ่อท่านมาพูดให้หลวงพ่อฟังท่านให้หมดไปสิบสามล้า น, นผู้ที่ปฏิเสธว่าผมไม่รับผมไม่รับของของหลวงตาของถังสังฆทา น, น แต่ที่ไหนได้พอมาถึงวันระนบโบกเวกโวยวายท่านีนน้ผมไม่มีชื่ออา้าวเพราะมีชื่อพราะคุณไม่ลงผมก็ไม่คิดว่าหลวงตาจะแจกใหญ่ถึงขนาดนี้หลวงตาแจกใหญ่จริงๆคราวนะั้นหมดไปสิบสามล้านพอปีต่อมาอีกเทนี้หลวงตาเอาให้อกีกพอให้อีกเท่นี้จะให้เท่าเหมือนปีที่แล้วนะทางนี้ทางผู้บัญชาการทาง ผู้กำกับก็เลยเข้าไปกราบหลวงตาโอ้ยหลวงตายถ้าแจกให้ลูกหลานก็แจกมันก็หมดไปพวกผมเองก็อยากจะได้เงินก้อนนี้แหละมาบริหารต่ชอชดอเผื่อว่าเก็บใครได้ป่วยหรือว่ามีปัญหาอะไรในกรมตชอดดในพวกตวชอดดเนี่ยจะได้เงินใช้ดอกผลตัวนี้เอามาใช้งานของตชอดอ ลงตาดังบอกเออเอาถ้ามิต้องมีความประสงค์เนี้ยก็ให้ลงตาให้อีกนะสิบสามล้านอีกเหมือนกันเท่ากับเหมือนกับเท่าปีปีก่อนหน้านั้นนะนี่แหละแต่ใ น, นช่วงนั้นหลวงพ่อก็ได้ยินว่าพวกตัวชวดอพวกน้อยหนุ่มทั้งหลายเขาก็บกเวกบวยวเหมือนกันแต่ผู้บริหารก่อนมีความคิดอีกแนวนึงฮ่งที่ผู้ต้องการรับเอาไปใช้ก็อีกมีความคิดอีกแนวนึง่งนี่แหละหลวงพ่อว่า ในแค่ก่อนมันความคิดสวดการเหมือนกันนะในการการให้นะแต่หลวงตาท้างก็ให้ให้เกิดประโยชน์แต่เดี๋ยวนี้หลวงหลวงพ่อเขาไว้เงินก่อนนั้นก็ยังมีประโยชน์สาหรับต่อชดอร์อยู่นี่แหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์องค์หลวงตาการสงเคราะห์อนุเคราะห์โลกขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นการพูดหรือการกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการ บอกแนะ่ให้พวกเราคณะสัตยาญาิโจมทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธศาสนาไม่ได้ทิ้งห่างพี่น้องประชาชนในเมื่อเราได้จจตุปปัจจัยมาโดยเป็นธรรมแล้วก็มองชุมชนสังคมเหมือนกันชุมชนอย่างใกล้สมควไกลที่ให้โรงพยาบาลโรงพยาารโ ร, โรงเรียนเครื่องมือแพทย์นี่แหละ อันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์สรุปแล้วก็คือพระสงฆ์ที่อยู่อาศัยพระสงฆ์ที่อยู่วัดว า, าศาสนาก็พึ่งพาอาศัยชาวบ้านชาวบ้านบางครั้งก็ต้องพึ่งพาอาศัยพระสงฆ์อย่างบอกพุทธบริษัทสอาศัยซึ่งกันและกันถ้าจะทําให้าศาสนาเสื่อมหรือราศาสนาเจริญก็พุทธบริษัท4นี่แหละให้จะทําให้ศาสนาเสื่อมหรือราศาสนาเจริญ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้พวกเราตรวจตราดูตนเองทนี้พวกเราจะทำให้าศาสนาเสื่อมหรือาศาสนาเจริญพุทธาาศาสนาเจริญให้มองดูพวกเราวกทุกท่านถ้าพวกเราใฟในการคุณคุณงามความดีใยในความดีพูดง่ายๆคือมีศีลห้านั่นแหละมีเป็นหนทางแห่งความเจริญถ้าว่าใฟ ตรงตรงข้ามอันนี้เป็ว่าเป็นพ้นทางแห่งความเสื่อมอพอเสื่อมออกจากตนตนเองแล้วก็สืบ พ, พุทธศาสนาก็เสื่อมด้วยเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับคณะสัตยาติรมลูกหลานทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพระพวกเราก็ควรจะมามีศีลมีศีลแล้วก็ควรจะมีมีสมาธิด้วยนะเพราะเหตุไรเพราะหลักของ พ, พุทธศาสน า, าคือพระพุทธเจ้า ท่านสอนเอาไว้เนะี่ยศีลนี่เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สมาธิเนีอย่างพวกเราเนี่ยวัดวาศาสนาของพวกเราเนี่ยเน้นเรื่องสมาธิเนีเรื่องสมาธิเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะมาเพียงให้ทานรักษาศีลเท่านั้นนะเป็นว่าเปลือกนอกนะเปลือกนอกอย่างไม่ถึงแก่นในของ หลักของพระพุทธศาสนาแต่ตามจริงพวกเรามาถึงจุดนี้แล้วเข้ามาศึกษาจุดนี้แล้วให้ฝังไม่ใช่ว่าจะมาแต่เพียงทาบุญาทาบุญให้ทานรักษาศีลห้าผิวเผินเท่านั้นอย่างไม่พอควรจะมีการภาวนาด้วยควรจะศึกษาเรื่องจิตภาวนาเพราะพระในครั้งพุทธการพระพุทธเจ้าเทศนาในครั้งพุทธการพุทธบริษัทสตอนเย็น พระองค์เทศสนาอุบาสกอุบาสิกาได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลมากต่อมากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านมุ่งมั่นในศีลในสมาธิในปัญญาสมาธิก็คือทำจิตใจให้สงบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก่อนหลับก่อนนอนทุกวันถ้าเป็นไปได้อย่าได้ขาดนะไหว้พระ ทำวัดเาก่อนอรหังสวากาโตสุปฏิปันโน เ, เสร็จแล้วาหาที่มุมว่างหาหมุมสงบในบ้านของตนเองเอปิดวิทยุโทรทัศน์เมื่อปิดโทรศัพท์อีกต่างหากาในช่วงที่เราทําสมาธิไม่ต้องติดต่อใครทั้งหมดปิดไว้ก่อน เ, อเพราะเวลาเป็นเวลาที่เราหาเวลาเป็นส่วนตัวของเราที่สดุด เ, เมื่อเราปิดโทรศัพท์ ไม่มีใครอะไรรบขวรไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งหมดให้ว่างในจุดนั้นะจากนั้นก็นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นก็ให้มีสติอยู่ที่ปลายปลายจมูกนะกหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพทหายใจออกบริกรรมโทรให้มีพดโทรอยู่ในจิตใจร่างกายของเราเนี่ย ถ้าเราไม่ร่างกายของเราไม่พักผ่อนนะอร่างกายของเราไม่พักผ่อนทำงานอยู่ทั้งวีทั้งวันกลางคืนก็ทำงานไม่มีการนอนร่างกายของเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแต่นี้ใจของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยให้ใจพักผ่อนเลยไม่ไม่รู้จักวิธีการทําใจให้พักผ่อนไม่พักผ่อนทางด้านจิตใจใจของเรามีแต่ปล่อยเออละเหย ลอยลมคิดทั้งบีทั้งวันคิดปุงฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวันนี่แหละอันนี้เละคือจิตใจไม่ได้พักผ่อนเมื่อจิตใจไม่ได้พักผ่อนจิตใจจะอ่อนล้าเหนื่อยผลนี่สุดก็นั่น อ, อนิสัยเชื่องซึมนิสัยใจของเราจะเบื่อหน่ายให้ายว่าหมดกำลังใจไม่มันไม่เหมือน ร่างกายนะร่างกายเนะี่ยถ้าออกกําลังกายทุกวี่ทุกวันออกกําลังกายโดยสม่ำเสมอร่างกายจะมีกําลังแต่ใจของเราจะคิดโป่งฟุ้งมากๆนะเสียนะเสียกําลังใจเสียพลังใจติดใจต้องพักผ่อนพักการพักผ่อนของใจนะั้นคืออะไรคือทําจิตใจให้สงบนะถ้าไม่จิตใจสงบลงไปแล้วนะั่นะใจได้พักผ่อนเมื่อใจพักผ่อนแล้วใจมีพลังในะเมื่อจิตใจมีพลัง จะนึกคิดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าว่าจิตใจไม่ได้พักผ่อนอจิตใจของเราจะช่วงง่วงซึมคล้ายๆกับเป็นคนที่นะเป็นอัลไซเมอร์นะพูดง่ายๆคล้ายๆกับจิตใจเมออเื่อลอยจิตใจที่ไม่จิตใจไม่อยู่กับเนื้อ ก, กับตัว เพราะนั้นจิตใจต้องได้พักผ่อนฮะก่อนคือพักผ่อนด้วยสมาธิสมาธิจะทำยังไงจึงเป็นสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว่นลัวิธีการการทำสมาธิถึงจะเป็นสักเวลามากเวลาน้อยก็สุดแท้แต่แต่พวกเราต้องใส่ใจถ้าใส่ใจถ้าพวกเราไม่ใส่ใจในการตรวจตราหรือว่าจิตใจทำสมาธิให้กับตนเองนะจิตใจของเราจะ หมดกําลังจิตใจที่ไม่มีกําลังจิตใจเมื่อยล้าจิตใจอ่อนล้าจิตใจเมื่อลอยนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านสมาธิเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพวกเราทุกทุกท่านไม่ใช่เป็นเฉพาะของพระนะพระพุทธเจ้ามอบสอนให้กับพุทธบริษัทสี่ภิกษุสามเณรอุบาสกุบาสิกา การเป็นผู้ดํารงเรื่องศีลสมาธิปัญญานในเมื่อใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วจะนํามาคิดนำมาคิดนาํามาพิจารณาการกองไตราตรองด้วยเหตุและผลอย่างใดก็เป็นศีลเป็นศีลเป็นธรรมเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจะติตอยู่กับตนเอง เ, อเหมือนกับพวกเราที่มีสติสัมปชัญญะจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็น่าดูไปทั้งหมดแต่ถ้าว่าจิตใจของเรา หมดเหม่อลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวออนิสัยเป็นอัลไซเมอร์เข้ามาแล้วนะั่นแหละมันไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายนะคณะสัตยาญาติโจมนะต้องฝึกเอาไว้เรื่องสติสัมปชัญญะตัวนี้นะ่ะต้องฝึกเอาไว้ฝึกเอาไวท้ทีละน้อยละน้อยละน้อยฮนะอถ้าหาว่าพวกเราไม่ฝึกเอาไวนะ้น่อใจของเราจะเหม่อลอย สติขาดออกจากตัวเองนะเพราะนั้นเรื่องสติสัมปชัญญะเนี่ยต้องฝึกนะอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้พวกเราฝึกฝึกท่านจะจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันหลุดมันเหมือ่อยขนาดไหนให้นับดูนะหลวงพ่อบอกให้นับดนะูหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามนับสี่นับห้าถึงร้อยไม่เผลอแล้วก็กลับมานับหนึ่งมาอีก ถ้ามันเผลอตรงไหนให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกมันเผลอยังไงเวลาหายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี้<ม>หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่แต่ไม่ต้องแต่งลมนะให้เป็นธรรมชาติตามปกตินะถ้าว่ามันเผลอพอมันเผลอขึ้นมาไม่ถึงสิบให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกอถ้าไม่ถึง20มันเผลอกลับมานับหนึ่งใหม่อีก มันเผลออย่างไงคือแค่ว่าเวลาหายใจเป็นขี้หายใจออกเป็นคู่แต่มันเผลอมันจะคู่นะท่าเออหายใจเข้าสิบแปดหายใจออกสิบเก้ามันมันมันผิดแล้วนะมันผิดจังหวะแล้วให้มันออกมันเป็นเลขขี้หายใจเข้าเป็นเลขคู่นี่แหละให้พวกเราสังเกตหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยถ้าหาว่าทดลองนับเลยสิหลวงพ่อว่าไม่ถึงยี่สิบเผลอแน่แน่ อถ้าบอกพวกเราไม่ได้ไม่ได้ฝึกไว้นะเอทดลองดูก็ได้นะไม่ถึงยี่สิบเอลอแต่ถึงยังไงถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นต่อไปเราพยายามโอ้ถ้าตายเฮเราเผลอขนาดนี้เหรอเราเบลอลอยขนาดนี้เหรอต่อไปเป็นอันเซเมอร์ได้ง่ายๆนะั่นแหละสติของเราลอยถึงขนาดนี้เเลยอจากนั้น เราจะไปปล่อยให้เมื อ, อยลอยอย่างนั้นไปได้เราต้องพยายามตั้งสติให้ดีขึ้นต่อไปจติตของเราก็จะดีนับถึงร้อยถ้าก็ตั้งต้องต้นหมายนั่งนิ่งนับถึงร้อยถ้าถึงร้อยได้แปลว่าสติของเราดีหนึ่งนาทีกว่าๆนี่แหละขอฝากไว้กับคณะตัททายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะอันนี้คือเป็นการฝึกสติให้อยู่กับตัวเองถ้าคนมีสติสัมปชัญญะ อยู่กับตัวเองแล้วคนนั้นไม่เป็นบ้านะเฮ้ไม่ไม่ปั่มปัมเปือเปืไม่เหมื่อไม่เหมื่อไม่ลอยฮะยเพราะอะไรเพราะสติอยู่กับตัวเองถ้ามันขาดสติเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นระวังฮระวังฮะเออมันไม่มัรู้จะออกไปทางไหนให้ระวังนะแต่มันขาดมากๆก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นนั่นเดินโต๊ะเตะบางทีหลงบ้านหลงเรือนไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันขาดสติน่ะ เพ น, นั้นต้องฝึกเอาไว้เนะเรื่องสติสัมปชัญญะอย่างน้อยถึงจะไม่ได้ได้มักได้ผลพิจารณาถึงวิปัสสนาก็เถอะก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองเฝ้าบ้านตัวเองอยู่ตลอดก็ยังดีนะพอว่าคนที่มีสติสัมปชัญญะมันต้องรู้เรื่องทุกอย่างรู้เรื่องอันดีดีไม่ดีชั่วรู้รู้ในใจของตนเอง พระนั่งขอฝากไว้กับพวกเราคณะสัตยาญาณโยมลูกหลานทุกคนแล้ววันนี้เป็นวันที่17เดือน5ดับเป็นวันพระใหญ่เพรนั้นหลวงพ่อจะได้ปรารบเรื่องงานและก็เรื่องแนวความคิดที่พวกเราท่านทั้งหลายควรจะรับรู้รับทราบจากนั้นก็มาเน้นเรื่องขุณธรรมสมาธิธรรมเป็นสุดท้ายนะ สำหรับพวกเราให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าพระอย่างหลวงพ่อไม่พูดใครจะพูดเรื่องสมาธินะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงย้ํากับพวกเราคณะจตหาญาติโยมพุทธรบริษัทให้นําไปคิดนําไปพิจารณาการกลองไตรตรองดูซิว่าเป็นจริงไหมที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวออกไปพอหลวงพ่อได้เอาทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ออกมาแนะนำบอกกล่าวให้กับคณะตถาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเอาคำเอาความจริงมาพูดให้กันฟังนะพูดง่ายๆนะะตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพร